แ5บปุปภกรณานุชานาว่าได้ทรงอนุญาตบุปกรเรื่องบุปกรและบุปกิจในโรงอุโบสถข้อ159สมัยนั้นในอาวาสแห่งหนึ่งในโรงอุโบสถพวกภิกษุอาคันตุกะพากันตำหนิประนามโพท น, นาว่าทําไมภิกษุทั้งหลายจึงไม่กวาดโรงอุโบสถกันเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ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 ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่เป็นไข้ถูกภิกษุเทราใช้แล้วจะไม่กวาดไม่ได้รูปใดไม่กวาดต้องอบัติทุกกฎเรื่องปูอัสนะและตามประที่เป็นต้นข้อหนึสมัยนั้นในโรงอุโบสถไม่มีใครปูอัสนะไว้ภิกษุทั้งหลายพากันนั่งที่พื้น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 ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเถระใช้ภิกษุนวากาภิกษุนวากาทั้งหลายถูกภิกษุเถระใช้แล้วก็ไม่ยอมปูภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่เป็นไข่ถูกภิกษุเถระใช้แล้วจะไม่ปูไม่ได้รูปใดไม่ปูต้องอบัตรทุกกฎข้อ161 สมัยนั้นในโรงอุโบสถไม่ตามพระทีบไวยิกษุทั้งหลายเหยียบกายกันบ้างจีวรบ้างในที่มืดภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ตามพระทีบในโรงอุโบสถต่อมาภิกษุทั้งหลายได้มีความคิดดังนี้ว่าภิกษุรูปไหนหนอพึงตามพระทีบในโรงอุโบสถจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ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 ภิกษุนวากาทั้งหลายถูกภิกษุเทราชายแล้วก็ไม่ยอมตามพระที่ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่เป็นไข่ถูกภิกษุเทราชายแล้วจะไม่ตามพระที่ไม่ได้รูปใดไม่ตามพระที่ต้องอาบัตทุกกฎข้อหนึสมัยนั้นในอาวาตแห่งหนึ่ง พวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสไม่จัดน้ำฉันน้ำใช้ไว้พระอาคันตุกะพากันตาหนิประนามพลธนาว่าฉนัยพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสจึงไม่จัดน้ำฉันน้ำใช้ไว้เล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้จัดน้าฉันน้าใช้ไว้ ต่อมาภิกษุทั้งหลายได้มีความคิดดังนี้ว่าภิกษุรูปไหนหนอพึงจัดน้ำฉันน้ำชา ي ไว้จึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเทระใช้ภิกษุนาวากะภิกษุนาวากะทั้งหลายถูกภิกษุเทระใช้แล้วไม่ยอมจัดน้ำฉันน้าชายไว้